แล้วเมยานีก็เสด็จรับหายเข้าไปทางด้านหลังวิสูต์โดยทันทีที่รับสั่งจบในขณะที่ทุกคนยืนกันอยู่ในท้องพระโรงแห่งนั้นก้มศรีรษะลงทาความเคารพโดยพร้อมเพรียงด้วยอาการอันงงงงเมื่อราชินีเมยานีรับพระวรากายออกไปจากท้องพระโรงนั้นแล้วขุนพลเท่าอรชุนก็เคลื่อนเข้ามายืนอยู่ระหว่างกลางของทั้งสองคณะ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 ราชินีและข้าทหารที่จะตามเสด็จในครั้งนี้จะประทับรอคอยพวกท่านอยู่ก่อนเมื่อพวกท่านไปถึงเราทั้งหมดจะออกเดินทางไปเฝ้าองค์งคจักราธิราชโดยทันทีจบคำพูดนั้นโดยไม่เปิดโอกาสให้คนใดคนหนึ่งมีคำถามใดๆขึ้นอีกทั้งสิน้นอรชุนก็บกมือกับทหารคนสนิทของตน แล้วออกก้าวเดินนำหน้าไปก่อนทันทีฝ่ายของเชิฐาและฝ่ายของระพินต่างมองหน้ากันแต่เดี๋ยวก็รู้เองแหะครับว่าเงาทายทําอะไรอยู่ที่ไหนผมว่าเราหยุดคําถามทุกสิ่งทุกอย่างไว้ก่อนดีกว่าตามอารชุนไปเดี๋ยวนี้เถอะระพินพูดกับเชธธบิดถาเบาๆพลางหันไปอธิบายสั้นๆกับฝ่ายนายจ้างใหม่ของเขาทุกคนดูเหมือนจะเข้าใจ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 อรชุนและขุนทหารยืนรออยู่ยังบริเวณ น, นั้นและโบกมือเป็นสัญญาณเตือนให้ทั้งหมดขึ้นหลังมาทั้งสองกลุ่มพากันยืนเหมือนจะลังเลอยู่อึดใจหนึง่งมองหน้าใครจะหารือกันอีกครั้งเชษฐาจึงเข้ามาตบไหลระพินบอกมาเบาๆว่าไม่ต้องห่วงระพินระหว่างที่พวกเราทั้งหมดออกเดินทางไปด้วยกันนั้นไม่ว่าจากที่นี่ไปสนามชัย หรือจากสนามชัยมุ่งไปยังจุดใดก็ตามขอให้คุณไปร่วมอยู่ในกลุ่มนายจ้างคุณเพื่อพวกเขาจะได้อุ่นใจและมีโอกาสได้พูดจาสนทนากับคุณได้ทางด้านผมไม่มีอะไรจะต้องเป็นกังวลเรายังมีเวลาที่จะพบปะใกล้ชิดกันอีกมากนะักแต่ในระยะแรกๆนี่ผมต้องการให้คุณปฏิบัติหน้าที่มักคุเทศนำทางและผู้รับผิดชอบต่อพวกเขาทุกคนให้เหมือนเดิมทุกอย่างถ้าคุณมาร่วมอยู่ทางผมเวลานี้ พวกเขาก็จะรู้สึกว่าวเวมากทีเดียวจำไว้ว่าคุณน่ะยังเป็นลูกจ้างของเขาแต่นั่นยังไม่สําคัญเท่ากับคุณน่ะเป็นขวัญและกําลังใจของพวกเขาทุกคนด้วยระพินยิ้มออกมานิดหนึ่งยกมือขึ้นแตะปีกหมวกและมีอาการเหมือนจะพูดอะไรกระเชิดถาขณะนั้นเองระดารินผู้ยืนอยู่ใกล้พี่ชายก็รีบบอกมาโดยเร็วว่าไปเถอะค่ะระพิน ไปนำกลุ่มพวกฝ่ายนายจ้างคุณก่อนแล้วกันพวกเราทางด้านนี้รู้ดีว่าพวกเขาจะไม่สบายใจเลยถ้าไม่มีคุณอยู่ใกล้แม้ว่าบรรยากาศมันจะปลอดโปร่งสักขนาดไหนก็ตามครับขอบพระคุณอย่างสูงทั้งสองท่านนะครับแล้วค่อยพบกันนะครับท่านใหญ่พูดแบบคนเคยอยู่ใต้บังคับบัญชาแล้วผลักไปทันทีเมื่อเขาตรงไปยังกลุ่มของสเตนลีย์เห็นทุกคนของคณะนายจ้าง ข้าวขึ้นไปอยู่บนหลังม้าหมดสิ้นแล้วและกําลังมองจับมาที่เขาเป็นตาเดียวเมื่อมองเห็นระพินเดินเข้ามาร่วมทางด้านตนก็ดูเหมือนจะพากันลอบถอนหายใจออกมาได้อย่างโล่งอกระพินเหวี่ยงตัวขึ้นไปยังหลังม้าตัวสุดท้ายซึ่งมีทหารถือสายบังเหียนไว้ให้ก่อนแล้วซึ่งยืนอยู่ในกลุ่มของสเตลลีพอเขาทรงตัวได้ถนัดรับสายบังเหียนจากทหารมาถือไว้อิสเบร ผู้ยืนมาอยู่ใต้เขามากที่สุดก็กระซิบมาปนยิ้มว่านี่นึกว่าคุณนึกว่าเราจะไม่มีพวกไม่มีคุณเข้ามาอยู่กับกลุ่มเราแล้วสินี่รบภาร ก, กิจผมยังไม่เสร็จสิน้นหรอกและผมก็จะไม่ทอดทิ้งหน้าที่จํำไว้ขอบคุณมากขอบคุณจริงๆนะพินเสียงคริสติน่าพึรรมพำมาเบาๆจากทางขวามือของเขา มาที่จัดเตรียมไว้ทั้งหมดครบจำนวนคนพอดีคือ36ตัวเป็นของฝ่ายระพิง20สบและฝ่ายของเชษฐา16หลังจากนั้นอีกเพียงสามสี่นาทีขบวนทั้งหมดก็พร้อมอรชุนขี่ม้าดำทะมึนเหยาะย่างมายืนอยู่ด้านหน้าของขบวนทั้งหมดปิดหลังด้วยม้าของสุกรีพรมเมฆยุทธิิตและขุนทหารอีกสองสามคน ขุนพลเท่าสอดสายตาตรวจสำรวจมาเห็นว่าทั้งหมดขึ้นประจำอยู่บนหลังม้าหมดสิ้นแล้วก็บกมือแล้วชักม้าเหอกนำหน้าไปในบัตรนั้นม้าทั้งหมดก็เคลื่อนตามโดยมีฝ่ายของเชษฐาเดินมาเป็นแถวเรียงสามลำหน้าไปก่อนและฝ่ายของระพินเชื่อมต่อท้ายติดตามมาทั้งชุดโดยถนนกว้างโรยกรวด อันเป็นบริเวณของราชฐานชั้นในนั้นทั้งหมดภายใต้การนำของอรชุนและขบวนทหารหนึ่งหมวดควบเยอะไปอย่างไม่เร่งร้อนอะไรนะักตัดบริเวณอันเป็นที่ตั้งของปรางปรามหาปราศาสต์ตัวอาคารพื้นสนามหญ้าเขียวขจีอันกว้างใหญ่และเขตอุทยานหลวงมุงตัดออกสู่บริเวณทิศตะวันออกอันเป็นที่ตั้งของสนามไช มันเป็นเป้าหมายจุดแรกที่มองเห็นลิบลิอยู่เบื้องหน้าเมื่อมองเห็นภูมิประเทศอาณาบริเวณอย่างธนาตาในเวลากลางวันเช่นนี้คณะอเมริกันทั้งหมดเบิกตาจ้องสำรวจไปรอบๆ อ, อย่างตื่นตะลึงพวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนในชีวิตว่าจะมีมหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่เรืองรองไปด้วยสถาปัตยกรรมประติมากรรมและศิลปรกรรม เทียบเท่ามาหาอาณาจักรโรมันหรือกรีกในอดีตการซ่อนเร้นอยู่ในความลี้ลับแห่งเทือกเขาพระสิวะเช่นนี้ตื่นตาตื่นใจจนไม่อาจจะบรรยายถูกนอกจากขม้นมองจ้องเหมือนจะไม่เชื่อสายตาตัวเองโอ้โก้อนี่ทําไมได้เกิดจากอาการตาฝาดของเราฉันว่าอาณาจักรโรมันหรือกรุงเอเธนส์ในอดีตก่อนคริสตกาล ก็คงจะเทียบมรกตนครที่นี่ไม่ได้เลยสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่เหลือเกินเบลอุทานออกมาฉันมีความรู้สึกเหมือนตกอยู่ในห้วงแห่งความฝันอันจะเชื่อซิไม่ได้ทั้งทั้ ง, ท, งที่ดวงตาทั้งสองยังเปิดอยู่คริสตินา่าขยับริมฝีปากหมุบหมิดขยี้ตาอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่ามองใสเต็มตาครับ ดูดซภาพเหล่านี้ไว้ในความทรงจําของพวกคุณไปจนตลอดชีวิตเพราะว่าเมื่อพวกคุณจากไปสู่โลกภายนอกแล้วคุณจะไม่มีโอกาสกลับเข้ามาพบเห็นได้อีกและไม่มีโอกาสที่จะนําความนี้ไปบอกเล่าให้ใครฟังได้อีกด้วยครับจอมักคุเทศบอกกับคณะนายจ้างเขาด้วยเสียงต่ําลึกพร้อมกับอาการหัวรอ่อหื้อในลําคอ ระหว่างที่เหาะมาไปกลางกลุ่มนายจ้างอเมริกันของเขากูจะบ้าตายหา่ามันมีเมืองใหญ่โตอย่างนี้ได้ยังไงนี่บนเทือกเขาลูกนี้ตอนที่เราพินเล่าเราฟังขณะที่พักอยู่ตรงเนินพระจันทร์บอกตรงฟังไปงั้นเองไม่เคยเชื่อเลยคิดครางออกมาพร้อมกับกับพริบตาอยู่ปริบ ก็เพราะมันเป็นสิ่งลี้ลับมหาศักย์ันอย่างที่เราเห็นอยู่นี่แหละจึงไม่มีอะไรจะต้องสงสัยอีกแล้วว่าทำไมเครื่องบินและระเบิดสิบเมกะตันของเรามันถึงได้หายไปอย่างลึกลับที่สุดจุดนี้เป็นจุดของแดนสนธยาอย่างแท้จริงและเราก็ได้สัมผัสกับมันตั้งแต่วินาทีแรกที่เหยียบขึ้นถนนพระศิวะแล้วสตลลีเอ่ยขึ้นเสียงพร่า แล้วยกมือขึ้นทำอาเมนเหมือนจะเป็นการขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าที่ช่วยให้เขาและขะได้มีชีวิตผ่านพ้นมหาภิบัตรภัยนานาประการมาจนถึงแผ่นดินประหลาดนี้ได้ส่วนเชิดบุตรบอกกร ะ, ะพินมาว่าพี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ได้พาผมมาพบมาเห็นเนี่ยทำให้ผมไม่เสียดายชีวิตแล้ว ถ้าหากว่าพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ผมจะต้องตายก็ตามผมไม่นึกเสียใจสักนิดหนึ่งที่บังเอิญมีโอกาสได้ร่วมเดินทางมาครั้งนี้ไม่ว่ามันจะเหนื่อยยากสาหัสสักแค่ไหนล่ะพี่ครับคุณบุรสวรรค์เบื้องบนและพระมหาเทพทรงให้ความปรานีแก่พวกคุณทั้งหมดแนละ้วจึงเปิดทางให้ผมนำมาจนถึงประตูชัยด่านสุดท้ายนี่ผมขอร้องให้ทุกคนประพฤติและปฏิบัติ ในสิ่งที่ชอบที่คุณด้วยนะครับเมื่อ ย, อยังอยู่ในดินแดนนี้รับพินบอกมาเป็นประโยคสุดท้ายเหมือนจะเป็นคำตักเตือนเมยานีประทับอยู่บนหลังอัดสดรสีขาวรอคอยอยู่แล้วณ ห, หน้าลานหินส่วนหน้าของสนามชัยอันเป็นบริเวณเสด็จออกเยี่ยมเยียนพบปะไพร่ฟ้าข่าแผ่นดินของจอมกษัตริย์ พร้อมด้วยทหารม้าประมาณหนึ่งกองร้อยเมื่อฝ่ายอาคันตุกะทั้งสองคณะได้เคลื่อนมาถึงและเข้าสมทุกนางก็ให้ทหารชูธงปลายหอกโบกเป็นสัญญาณกับทหารที่นำแขกเมืองเหล่านั้นมาเพื่อให้เคลื่อนตามทันทีแล้วนางพญาแห่งมรนกนครก็ชักม้าออกวิ่งนำไปเบื้องหน้าไปตามด้วยทหารม้าทั้งหนึ่งกองร้อยนั้นฝ่ายที่เพิ่งมาถึง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 ผ่านจัตุรัสใจกลางเมืองต่างๆมาได้สักพักใหญ่ก็มองเห็นประตูเมืองทางด้านตะวันออกเปิดอ้าว่างซึ่งมีทหารยืนม้าเรียงรายคอยปิดกั้นการสัญจรตั้งแถวรับเสด็จอยู่ก่อนแล้วและขบวนนำหน้าก็เริ่มจะเร่งฝีเท้าม้าให้ควบเร็วเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกขณะทุกคนของฝ่ายอาคันตุ ก, กะ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 อันเชื่อมต่อกับถนนพระศิวะกลุ่มของอาคารตุกะยังคงแบ่งออกเป็นสองชุดอยู่เช่นนั้นคือกลุ่มเชษฐาอยู่ใจกลางและกลุ่มของระพินตามติดมาเบื้องหลังปิดท้ายด้วยกําลังทหารอีกชุดหนึ่งดารินนั้นพยายามสอดสายตาที่จะมองหาขุนทหารผู้ใดผู้หนึ่งที่รอนเคยรู้จักคุ้นหน้าเพื่อประกบชิดและคอยซักถามอะไรบ้าง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 เหมือนกับว่าจงใจไม่ให้ตีประกบขึ้นมาได้ทันต่างกว่าเมื่อครั้งไปรับที่กลางถนนพระศิวะไอ้ม้าพวกนี้ที่จัดมาให้เราขี่สูงใหญ่สักเล่าแต่วิ่งอย่างกะลาอย่างนั้นแหละดารินร้องลั่นชี้ลงไปที่คอม้าให้พี่ชายใหญ่ดูพร้อมกับตะโกนลั่นขณะที่เชษฐถาควบเข้ามาใกล้ใกล้ใจเย็นน้อยตามเมยานีไปเรื่อยๆแล้วกัน ไม่ต้องกวดไล่ก้นไปทันหรอกเชื่อถารู้ทันน้องสาวร้องบอกมาดารินสันศ ร, รีษะยังขัดใจแล้วหัวเราะออกมาร้ายจริงพวกเรานะถูกวางยาจำกัดฝีเท้ามาซะแล้วแม่คุณเอาม้าตัวใหญ่แต่ฝีเท้าแบบลามาให้เราขี่มิยานีคงไม่ต้องการให้เธอกวดทันไปพูดจาซักโนนถามนี่อยู่ให้รำคาญนะมะั้งถึงได้ามาแบบนี้มาให้ เราตามไปแบบนี้ก็ดีแล้วนี่จะเร่งร้อนไปไหนแล้วอนุชาตะโกนบอกมาอีกคนพี่กลางพี่กลางว่าเมยนันนีจะพาเราไปที่ไหนเนี่ยปราศาสตร์มหามาเเวิทยะเชื่อว่าไม่ผิดแน่และต้องการให้เราไปกันอย่างมีระเบียบภายใต้การนำของทหารป้องกันไม่ใครใจร้อนพุ่งแหวกขึ้นไปก่อนถึงได้จัดฝีเท้าเลวพวกนี้มาให้พวกเราเขี่อ่ แต่มาฝ่ายเขานะ้าฝีตีนจัดกันทุกตัวคนอื่นก็ไม่เท่าไรหรอกแต่น้อยนั่นแหละที่เมียนีไม่อยากแห่แหกข้อกไปเรานะี่มันคุดพูดมากปัญหาแย่ก็คงจะรำคาญมาั้งก็เขาจะพาเราไปอยู่เดี๋ยวนี้แล้วจะไปคิดซักถามอะไรเขามันเสียเวลาแล้วดารินคอนอนุชาตาควา่ำทำปากมุบมิบมุบมิบและไม่พูดจาคำใดอีกเลย พยายามทดลองลงแท่มา้าตัวที่ขี่อยู่สักเพียงไรมันก็คงวิ่งกบกับกบกับของมันไปตามเรื่องไม่สนใจที่จะเพ่นผลเร่งฝีเท้าขึ้นเลยและทํำท่าจะออกฤทธิ์โดย ว, วิ่งพรอนฝีเท้าลงตังลําดับจนดารินหมดความคิดที่จะเร่งมันในที่สุดก็ถอนใจเฮือกปล่อยมันวิ่งกบกับกบกับไปตามใจสมัครของมันเองตะวันตรงสีสับ พอดีเมื่อกองมานำหน้าเลี้ยวที่แยกของถนนใหญ่และบ่ายหน้าไปทางปราศาสตร์ของมหาอุมาเทวีซึ่งทุกคนของฝ่ายเช้าาจดจำทางได้มันตรงกับที่อนุชาบอกไว้ก่อนทุกอย่างและอีกชั่วไม่นานต่อมาก็รบรรลุถึงลานเรียบโล่งเตียนหน้าภูเขาลูกใหญ่ ยอดปรางอันเป็นภูเขาหินทั้งลูกแลเห็นอยู่เบื้องหน้าตำแหน่งนั้นมีทหารอีกประมาณสองกองร้อยยืนมาตั้งแถวเรียงรายอยู่ก่อนนะส่วนหน้าอันเป็นหัวขบวนนำเสด็จราชินีเมยานีเริ่มผ่อนฝีเท้าลงเป็นลำดับจนกระทั่งกลายเป็นหยอกหยอแล้วแปรขบวนออกเมื่อถึงที่หมายทหารทั้งหมดลงจากหลังมา้า คงมีก็แต่ราชินี้เท่านั้นที่ประทับอยู่บนหลังอั ส, สดรศึกสีขาวผินพระพักกลับมายังขบวนที่กำลังติดตามเข้ามาพร้อมด้วยรอยแย้มสวนน้อยๆที่สุดทั้งหมดก็ทยอยกันเข้ามาถึงภายใต้เพิงศิลาอันกว้างใหญ่หน้าบริเวณอันมองเห็นชัดว่าเป็นมหาวิหารขนาดมหึือมาอัจเจาะเข้าไปในภูเขาทั้งลูก หวังว่าพวกท่านทั้งหลายคงจะไม่เหนื่อยกันจนเกินไปนักนะนางพญาแห่งมระกฏนครส่งรับสั่งไปยังทุกคนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ออกเดินทางมาขณะที่ทอดพระเนตรไปยังทุกคนเหมือนจะทรงสำรวจว่าได้มาถึงพร้อมกันหมดแล้วหรือไม่ข้าได้นำพวกท่านมาตามสบายโดยไม่ได้เร่งร้อนใดๆทั้งสิ่งเพราะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งร้อนบัดนี้ พวกท่านก็ได้มาถึงที่นี่แล้วบางท่านคงจะจำได้ดีเพราะได้ผ่านเข้ามาก่อนแล้วและบางท่านก็ไม่เคยได้ผ่านพบมาก่อนทุกคนเงียบกริบไม่มีใครปริปากคำใดทั้งสิน้นเมญานีประทับเว้นระยะนิ่งไปอึดใจก็รับสั่งต่อไปว่าบัดนี้พวกท่านพร้อมแล้วหรือไม่ ที่จะเข้าเฝ้าองค์จั ก, กราธิราชเจ้าเช่อถามองศบตาไปทางระพินแล้วพยักหน้าเชิงให้กราบทูลแทนคณะทั้งหมดแต่แล้วก่อนที่พรานใหญ่จะกล่าวออกมาเช่นไรนั่นเองดารินก็ชักม้าออกมายืนประจันหน้าราชินีเมยานีพวกเราทุกคนพร้อมอยู่ตลอดเวลาแล้วล่ะ แต่ทางฝ่ายมรกนครน่ะไม่พร้อมซะมากกว่าดารินพูดช้าๆชัดเจนได้ยินไปทั่วจ้องประสานเนธเมยานีขมิ่งสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครั้งหนึ่งเราได้เคยผ่านเข้าไปก่อนแล้วเป็นมหาเทวาลแหล่งสถิตของพระศรีอุมาเทวีเบืองพระปิติดางเข้าไป คือสุสานที่เก็บพระสบของบรรพกษัตร์แห่งราชวงศ์เทพแล้วลึกลงไปกว่านั้นก็คือขุมเพชรมหาสมบัติของสมเด็จพระแม่เจ้าพวกเราสงสัยเหลือเกินว่าจักราชที่ราชทรงประทับอยู่ณที่นี่หรือเมยานีมีสีพระพักวางเฉยแต่เน่มีแววยิ้ม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 คล้ายทรงมีเจตนาที่จะทำให้สันสะเทือนเข้าไปในความรู้สึกของฝ่ายเชษทาทุกคนดารินขมวดคิ้วนิดหนึ่งเม้มริมฝีปากเกือบจะเป็นเส้นตรงชายหางตาชำเลืองแวบไปยังเหล่าทหารทั้งหลายที่ยืนรายล้อมสงบนิ่งเอาละก่อนที่พวกเราทุกคนจะเข้าไปเห็นกับตาตัวเอง ขอทราบหน่อยเถอะว่าพระองค์ประทับอยู่ในสถานที่นี้ในสภาพใดบันทมสนิทนิ่งอยู่ในหีบพระศพกรณนั้นหรือสองร้อยหนึ่งเมญานีนิ่งขณะจิตต่อมานางได้เผยรอยแย้มสวนออกมานิดหนึ่งและเหมือนจะเป็นการแซงประวิงเวลาให้เนิ่นนานออกไปอีก โดยทิ้งเป็นแววปริศนาให้ฝ่ายอาคันตุกะทั้งหลายต้องอยู่ในภาวะร้อนรุ่มกระสับกระส่ายนางเอื้อมหัดไปหยิบภ้าชนะโลหะขนาดย่อมอันมีลักษณะคล้า ย, ายกระติกบรรจุน้ำซึ่งติดอยู่ข้างอานมาที่ประทับอยู่ยกขึ้นมาเปิดฝาและกรอกดื่มช้าๆแก้กระหายเมื่อนั้นเองทุกคนของฝ่ายอาคันตุกะทั้งหมด ก็เห็นรพินไพรวันก้าวลงจากหลังมาด้วยอาการปกติธรรมดาที่สุดของเขาพลางเดินตรงไปยังขั้นบันไดหินอันเป็นหนทางนำขึ้นสู่มหาเทวาลัยและขณะที่เดินผ่านหน้าอรชุนผู้ยืนสงบอยู่ก็เอื้อมือไปคว้าแขนขุนลพลผู้เท่าจูงมืออย่างคนคุ้นเคยสนิทให้เดินเคียงคู่ไปด้วยกันซึ่งอรชุนก็เดินตามไป โดยไม่มีปฏิกิริยาอื่นใดทั้งสิน้นท่ามกลางความเงียบสนิทและหยุดนิ่งอยู่กับที่ของทุกคนท่านพรานสุรเสียงเนิบเนิบของนางพญามรกฎนครดังทักขึ้นระพินหันกลับมาขณะนั้นเขาได้ก้าวขึ้นไปยืนอยู่บนขั้นที่เจ็ดเกือบจะถึงชานหินปากทางเข้าแล้ว นั่นท่านกำลังจะไปไหนถ้าทรงคิดว่าข้าพระองค์จะเข้าไปเพื่อเห็นแน่แกตาตนเองว่าแงซายกำลังทำอะไรหรืออยู่ในภาวะใดภายในสุสานแห่งนี้แล้วก็สงเข้าพระทัยผิดทั น, นัดเพราะข้าพระองค์ไม่ได้สนใจอะไรกับเจ้าอดีตคนใช้จอมกะล่อนคนนั้นหรอกแต่เมื่อมาถึงที่นี่แล้ว ก็อยากจะได้เข้าไปนมัสการพระมหาอวกอุมาเทวีที่ทรงประทานความปรานีให้พวกข้าพระองค์หวนกลับมาเหยียบดินแดนนี้ได้อีกวาระหนึ่งกับจะถือโอกาสเข้าไปเคารพศพของท่านกุตมะสหายเก่าซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในอุสุสารแห่งนี้ด้วยพรนยานใหญ่ตอบมาเรียบๆหน้าตาเฉยไมยานีทรงสำลักน้ำที่กรอกดื่มอยู่ แล้วสวนคิกออกมานิดหนึง่งแขวนผานชนะบรรจุน้ำดื่มประจำมาลงไว้ข้างๆอ่านตามเดิมก้าวลงจากหลังมาทรงดำเนินตรงมาที่ดารินพลางส่งหัดไปให้เมื่อเห็นดารินยังกระพริบตางงๆต่อเหตุการณ์อยู่เช่นนั้นนางก็คว้าข้อมือออกของนายหญิงพร้อมกระชากเบาๆดารินอุทานอะไรออกมาคำานึงมีอาการเหมือนจะร่วงลงมา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 ขอเชิญขอเชิญทุกท่านที่มาพร้อมกันอยู่น้นที่นี่แล้วลงจากหลังมา้าและตามข้าเข้ามาเถิดเชิญสมเด็จพระเจ้าจาักราธิราชทรงประทับรอคอยทุกคนอยู่แล้วระหว่างที่ทุกคนกซึ่งกำลังมีหัวใจอันเต้นระทึกได้พากันถอนใจออกมาได้อย่างโล่งอกและพากันก้าวลงจากหลังมา้า ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของเชืท้าหรือฝ่ายของสแตลลีดารินผู้ซึ่งขณะนี้เมยานียังจับแขนของหลอนอยู่ก็กระซิบออกมาเบาที่สุดว่าคีดเล่นนักนะเรานี่ทาไมคิดไปอยู่ต่อหน้าเหล่าทหารข้าราชบริพาลทั้งหลายฉันจะหยิกให้เนื้อเขียวทีเดียวใจหายใจความหมดแล้วจะประคุณเอ้ยนี่กลายเป็นวัาตาพรานระพินน่ะรู้เท่าทันเธออยู่คนเดียว นอกจากนั้นหากันโง่ไปหมดเมญีสวนสนรรราเริงเป็นปกติเหมือนเดิมระหว่างที่ทุกคนกำลังยืนชุมนุมรวมกลุ่มกันอยู่และทางด้านรับพินกับอรชุนก็มีอาการเหมือนจะยืนรอคอยอยู่บนชานหินด้านบนกลุ่มของสเตลลีก็เข้ามารวมอยู่กับกลุ่มของเชษฐารวมทั้งพวกลูกหาทั้งสองฝ่ายด้วยซึ่งก็ได้รับอนุญาตให้เข้าไปได้ทั้งสิน้น ในระหว่างที่ทหารหลวงทั้งหมดยังวางกำลังกันอย่างเป็นระเบียบเต็มบริเวณด้านหน้าราชินีแห่งมรกฎนครคงจูงมือดารินโดยไม่ยอมปล่อยอยู่เช่นนั้นและโบกหัดเป็นสัญญาณให้ทุกคนก้าวตามนางไปพลางก็ดำเนินจูงมือนายหญิงให้ก้าวเคียงคู่ขึ้นไปด้วยทั้งหมดก้าวตามขึ้นไปเป็นขบวนแม้จะเดินรวมกลุ่มกันไป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 ซึ่งคุ้นเคยต่อสถานที่มาก่อนแล้วในอดีตคริสติน่าและเบลจับคู่กันอยู่ใกล้ชิดโดยมีคีดและเชิดบุตรประกบอยู่ข้างส่วนด้านหลังก็มีบุญคำเกิดจันและเสยเดินตามปิดหลังเหมือนจะได้รับคำสั่งจากระพินไว้ก่อนแล้วว่าให้คอยเป็นกำลังใจให้ความอบอุ่นแก่นายจ้างไว้ตลอดเวลาโดยแม่้ะห่างออกมาก่อนในระยะนี้ คงมีก็แต่หัวหน้าคณะคือด็อเตอร์สแตนลีย์เท่านั้นที่เดินเคียงไหลไปกระเชษฐาและกระซิบถามอะไรต่ออะไรเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้ส่วนใหญ่ของทุกคนยังอยู่ในภาวะส ง, งบปากคำไม่พูดอะไรกันโดยไม่จำเป็นและทางฝ่ายของมรกนครนั้นนอกจากเมญานีก็ะขุนพลเท่าอรชุนอันเป็นบิดาแล้วก็หาได้มีบุคคลอื่นใดติดตามเข้ามาด้วยทั้งสิ้น รพินผู้ซึ่งยืนรอคอยคณะทั้งหมดอยู่บนลานหินพร้อมกับอรชุนได้หลีกทางให้เมื่อเมยานีดาเนินจูมอดารินนำลำหน้าคณะทั้งหมดขึ้นมาและดูเหมือนจะรอตามหลังปิดท้ายเข้ามาเป็นคู่สุดท้ายเมื่อย่างผ่านปากทางเข้ามาหาเทวไลอันเย็นครึมมืดสลัวซึ่งมีแต่เพียงแสงคบเพลิงที่จุดพราวอยู่ตามผนังหินรอบด้านเท่านั้น ที่ให้แสงสว่างวอมแวมอยู่ในขณะนี้ณบริเวณห้องโถงอันกว้างใหญ่อันเป็นที่ประทับของเทวรูปพระมหาอุมาเทวีแกะสลักด้วยหินภูเขาทั้งลูกราชินีเมญานีนำคณะทั้งหมดถวายสักการะบูชาต่อพระแม่เจ้าผู้สถิตทมึนอยู่รังงานเงื้อมเพื่อความเป็นสี่มงคลแก่ตนเอง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 ยังทวารด้านหลังเทวรูปเพื่อเข้าสู่ห้องอันเป็นมหาสุสานของราชวงศ์เทพห่างออกไปจากที่ทุกคนได้เข้ามายืนสงบนิ่งจ้องตะลึงด้วยสายตาอันเบิกกว้างกาหม็งอยู่ขณะ น, นี้ประมาณ 7-8 วาร่างหนึ่งประดิษฐานอยู่บนแท่นหินในลักษณะขัดสมาดเพชรชิดผนังถ้ำ ภายในสเสวพระภูษาที่ห่อพันกายในสภาพของสมณพรามสีขาวของผ้าที่ห่อกายอยู่นั้นและดูสว่างเรืองรองในบรรยากาศอันมืดสลัวเหมือนอาบด้วยฟอสฟอรัสมือทั้งสองวางซ้อนแบงหายอยู่บนตักร่างกายเหยียดยืดตรงนิ่งเหมือนรูปสลักของศิลาหรือมิฉะนั้นก็ภาพปั้น เป็นสิริลักษณะของมนุษย์บุรุษชายผู้มีทั้งสรีระและสวดทรงของใบหน้างามสงา่าหมดจดประดุจราชบุตรแห่งเท พ, พเจ้าดวงตาทั้งคู่ปิดสนิทแสงภายในคูหาถ้มนั้นไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่ามาจากที่ใดทุกขนทุกแห่งมันล้วนสลัวมัวมน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 รวมทั้งประกายแสงที่ดูเหมือนจะบังเกิดขึ้นจากเรือนร่างและวงหน้านั้นด้วยที่บางขณะมันก็โชดแสงเรืองโรดขึ้นมาและบางขณะมันก็รีสลัวมัวจางลงสลับกันอยู่เช่นนั้นเป็นที่น่าอัศจรรย์ทุกคนของฝ่ายเชษฐาอยากจะร้องตะโกนทักออกมาว่าแง้ไายแต่เหมือนถูกสะกด ไม่มีผู้ใดที่สามารถจะเปลงเสียงออกมาได้ในขณะนั้นเงียบเงียบที่สุดของความเงียบบกคลุมณสถานที่นี้ส่วนทุกคนของฝ่ายดรสเตลีก็อยู่ในภาวะตะลึงได้แต่จ้องไปยังภาพนั้นตาไม่กระพริบบรรดาพลานพื้นเมืองและลูกหาบทุกคน แทบจะไม่มีใครหายใจอยู่ในขณะนี้นอกจากร่างในชุดขาวที่นั่งนิ่งโดดเด่นเป็นจุดสว่างท่ามกลางความมืดรอบด้านอยู่บนแท่นหินนั้นแล้วไม่มีสิ่งอื่ น, อ, นอยู่ยังตำแหน่งแท่นหินนั้นเลยเป็นแท่นหินสีดำล้วนมีขนาดความกว้าง ประมาณหนึ่งวาและยาวสามวาระหว่างที่ทุกคนเหลือบแลไปเห็นและเหมือนถูกสะกดให้นิ่งอยู่กับที่ขยับขยื่นยังมิได้อยู่ในขณะนี้นั้นราชินีเมญานีและขุนพลอรชุนได้ก้าวล้ำหน้าทุกคนออกไป พร้อมทั้งย่อกายลงคุกเขา่าถวายสักการะและนิ่งอยู่ในท่าคุกเข่านั้นเวลาจะผ่านไปนานสักเท่าใดไม่มีใครบอกได้ระพินไพรวันเองขณะนี้ก็จ้องเขม็งไปยังร่างนั้นอย่างพิเคราะห์นอกจากเมยานีหรืออรชุน อันเป็นบุคคลของแผ่นดินแห่งนี้แล้วดูเหมือนจะมีระพินเพียงคนเดียวที่สติสัมปชัญญะยังอยู่กับกายครบถ้วนเพียงแต่ว่าสงบนิ่งไม่เคลื่อนไหวหรือกระโตกกระตากใดๆขึ้นทั้งสิน้นปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเปิดเผยพฤติการขึ้นมาเองขณะจิตต่อมาทมกลางความสงบเงียบที่แผ่ซ่านครอบคลุมบริเวณนี้ไว้ทั้งหมด ในคลองจักสุก ข, ของทุกคนมองหินพร้อมกันหมดในปรากฏการณ์อันประหลาดลี้ลับทั้งๆ ท, ที่ดวงตาทุกคู่ยังเบิกโพล่งอยู่ในขณะนี้เงารางๆชนิดหนึ่งก่อรูปขึ้นทางหลืบหินด้านซ้ายของแท่นนั้นเป็นเรือนร่างของชายในชุดเสื้อแขนอุดเสมอไหลชายเสื้อสั้นสีดำ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 ลอยแช่มช้าใกล้ร่างในชุดขาวที่นั่งสมาธินิ่งอยู่นั้นทีละน้อยตามลำดับใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาในที่สุดก็ลอยมาทัดยังร่างที่นั่งอยู่และสลายวายนะัดไปนบัตรนั้นบัตรดน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 และสีมหาอุมาเทวีขอต้อนรับทุกท่านยังแผ่นดินเหนือพิภพโลกแห่งนี้กระแสเสียงทุมลึกกังวานกล้องไปทั้งห้องคูหาหินดังปราัยทักทายมายังทุกคนอันยืนเรียงรายอยู่ยังไม่มีใครตื่นจากพวังตะลึงหรือกระดิกกายได้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 ทุกท่านก็ได้มาถึงแล้วน้่เสียงก้องกังงวานนั้นได้กล่าวมาอีกพร้อมทั้งอาการขยับตัวยกมือทั้งสองขึ้นจักตักและค่อยๆลุกขึ้นยืนสูงตรงงานเต็มส่วนสัตว์ริมฝีปากเป็นแนวรูปกระจับนั้นสยายยิ้มออกไปไน้อยๆและดวงตาทั้งคู่ เป็นประกายใสยสว่างผางก็ก้าวลงมาจากแท่นยืนอยู่ยังพื้นเดียวกันกับทุกคนผู้กองระพินแงซายเรียกท่านขอได้โปรดก้าวออกมาพบผมก่อนเดี๋ยวนี้ระพินไพรวันก้าวล้ำออกไปเผชิญหน้า เคลื่อนเข้าไปหยุดยืนห่างจากร่างนั้นประมาณหนึ่งว่าแล้วชิดเท้าตรงยกมือขึ้นวันธยาหัดจักรราชขอให้พระองค์ทรงพระเจริญบุรุษในชุดขาวนักบัตรน้ยิ้มจนมองเห็นไรฟันสองแถวสันศีสะไปมาแช่มช้าตรงนี้เดี๋ยวนี้ยังไม่มีจักรราช มีก็แต่งแง้ทรายจอมกะล่อนของผู้กองเรายังไม่จำเป็นจะต้องเล่นยิเกกันตอนนี้ครับผู้กอ ง, งแง้ทรายเสียงระพินเอ่ยขึ้นครับผู้กองผู้ไม่น่ารักของผมในที่สุดก็เจอหน้ากันจนได้นะครับพริกตานั่นเองอดีตรอ้รอยตํารวจเอกระเวนชายแดนไทย และอดีตร้อยโทรกองโจนกระเรียงก็โผเข้ากอดกันแน่นเสียงแงซายหัวร้อลั่นไปหมดสนันไปทั้งคูหายหินแห่งนั้นทั้งคู่ต่างหัวร้อให้แก ก, กันในขณะที่ต่างฝ่ายต่างน้ำตาคลอเบ้าระพินดันไหลงแงซายให้ห่างออกไปแล้วฉกหมัดต่อยเชียวปลายคางเจ้าอดีตกระเรียงพระเนจรเอหน้าหลบไปได้จับหมัดข้างนั้นของเขาไว พร้อมทั้งหัวรอ ก, กากใหญ่แล้วทั้งสองก็สวมกอดกันอี ก, อกเวนแงทรายในที่สุดแกก็หาวบายดึงดูดจิกหัวฉันให้ย้อนกลับมาที่นี่จนได้ร้ยกาจริงๆะแกนกระพินพูดเร็วปรืออย่างปิติส ม, มนัตจนลืมตัวไปชั่วขณะ <laughs> แต่ผมไม่ทำอยังในขณะ น, นี้ผู้กองก็มางุมมางารา โง่เซบ้าอยู่งั้นแหละไม่มีวันได้ฉลาดสมหวังกับเขาสักทีรางวัลชีวิตอันยิ่งใหญ่ที่สุดของผู้กองมองกุฎไพรของผู้กองอยู่ที่นี่บนแผ่นดินมรกตนครแห่งนี้คงจะตาสว่างขึ้นแล้วสินะครับผู้กองพรานใหญ่หัวราอทั้งหยาดน้ำตาจับต้นแขนแงซ า, ายแน่นแล้วพยักหน้าถูกต้องถูกต้อง ไอ้น้องชายแงซายฉันน่ะมันอิ่งโง่เซ่อบ้ามันนานแล้วทั้งกับแกแล้วก็กับทุกคนโดยเฉพาะกับคนที่ฉันรักนี่ยิ่งโง่ยิ่งเซ่อบ้าหนักครับอีกเออตอนนี้ฉันตาสว่างหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแล้วก็ขอบใจมากนะขอบใจสุดชีวิตเลยไอ้น้องชายฉันรู้มานานแล้วว่าแกน่ะรักฉันจริงแกน่ะเป็นมหามิตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉัน อย่างที่จะหาไม่ได้อีกแล้วไม่ว่าจะกี่ชาติกี่ภพละกล่าวพลางระพินก็ส่งมือไปให้แง่ทรายจับทั้งสองชายประสานมือกันบีบแน่นและเขย่าโดยแรงอดีตร้อยโทรกองโจนกระเรียงคู่ปรับเก่ายิ้มพรายอย่าลืมกราบบูชาพระคุณเจ้ามหาฤาษีโกนธัญญาด้วยล่ะพวกองท่านาเปรียบเสมือนดาวเทียม ที่คอยช่วยเหลือส่งกระแสจิตของผมถ่ายทอดไปถึงผู้กองทําให้ผมส่งข่าวถึงผู้กองได้ตลอดเวลานี่ถ้าไม่ได้สถานีส่งผ่านดาวเทียมของท่านต่อให้ผมมานั่งบําเพ็ญศีลภาวนาเพื่อส่งจิตไปช่วยเหลือผู้กองยังไงผมก็คงทําไม่สําเร็จหรอกคงถึงเวล า, าที่จะพ้นเครานะหพ้นโศกเสียทีเลยนะผู้กองเอาล่ะอะไรต่ออะไรเราก็รู้ดีกันอยู่แล้วผมไม่ต้องมาพูดอะไรกันให้มากในเรื่องนี้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 โดยเฉพาะเจ้านายเก่าๆแล้วก็เพื่อนๆพรานทั้งหลายเอาเป็นว่าผมขอพบนายหญิงดารินหรือพี่สาวผมก่อนนะครับขออนุญาตครับเงสายพูดยิ้มยิ้มมองด้วยประกายตาแจ่มใสไปยังกลุ่มใหญ่ที่ยืนกันอยู่ดารินวราริศวิ่งทลาออกมาในทันทีนั้นพร้อมกับร้องตะโกนเรียกนามอดีตอง ค, ครักษ์ประจำตัวของหลอนลั่น เงษายโอ้เงษายฉันอยู่นี่พี่สาวอยู่นี่และโดยอาการอันปิติปลาปลื้มจนสุดที่จะระ ง, งับสิ่งใดไว้ได้ดารินวิ่งปราดเข้ามาหาพลางโถมกายเข้ากอดคอร่างอันสูงใหญ่ตรง n g g งามนั้นทั้งตัวเหมือนเด็กๆอดีตเงษายช้อนโอบกายของนายหญิงลอยขึ้นในอ้อมแขนพร้อมกับโยนลอยขึ้นไปบนอากาศ แล้วรับไว้ในอ้อมแขนทั้งสองระหว่างที่หัวเราะห้าวกระหึมอยู่ในลาคอจากนั้นจึงค่อยๆบันจงวางร่างของนายหญิงลงกับพื้นดารินอยู่ในอาการที่เรียกว่าลิงโลดเหลือที่จะกล่าวได้คงกอดคอแง่ทายแน่นอยู่เช่นนั้นระลำ่ำระลักพูดสับสนรัวเร็วจนฟังแทบไม่ได้สับแง่ทรายเจ้าน้องชายของฉัน ฉันดีใฉจนบอกไม่ถูกแล้วนะเนี่ยที่ได้มาเห็นเธออีกครั้งภายหลังจากร้อนใจกระวนกระวายอยู่นับสิบชั่วโมงนับแต่เหยียบเข้ามาถึงดินแดนนี้อดีตร้อยโทรกองโจนกระเรียงหรือองครักษ์ู่ใจของดารินกม้มศีรษะลงโค้งคำนับอย่างสุภาพอ่อนโยนเหมือนสมัยที่ยังปฏิบัติหน้าที่เป็นคนรับใช้ประจาคณะอยู่ครับผมนายหญิง แง่ทรายตระหนักได้ดีที่สุดในความระลึกถึงและห่วงใยของขไม่เห็นแง่ทายทันทีที่เหยียบหนุนพระศิวะครับเดี๋ยวนี้เมฆหมอกแห่งความพิศวงสงสัยทั้งมวลก็ได้คลี่คลายลงแล้วแง่ทายมีความจำเป็นที่จะต้องเข้ามาปฏิบัติตนบำเพ็ญศีลภาวนาทำกายใจให้บริสุทธิ์อยู่ในสถานที่นี้เพื่อใช้อำนาจจิตตานุภาพเดิขอบารมีต่อศิวเทพ และมหาฤาษีโกนธั ญ, ญะติดต่อส่งข่าวไปยังผู้กองระพินและนายหญิงชักจูงโน้มนำให้ทั้งสองท่านบ่ายหน้ามาที่นี่ให้จงได้แล้วเงยสายก็ได้กระทำสำเร็จผลลงแล้วทุกประการเงยสายปิติใจที่ได้เห็นทุกคนในแผ่นดินนี้พร้อมหน้าทุกฝ่ายในสภาพที่ปลอดภัยทุกประการสมกับจิตที่มุ่งมั่นภาวนาไว เสียงตอบนั้นดังกังวานทุ่มได้ยินทั่วไปยังทุกคนที่ชุมนุมอยู่ณสถานที่นั้นจากริมฝีปากรูปงามที่ละไมไปด้วยรอยยิ้มดวงตาคมลึกเป็นประกายของบุรุษนั้นบัดนี้มองผ่านไหล่ของดารินผู้กำลังพูดอะไรเร็วปริ๊อยู่กับเขาเหมือนจะละความสนใจจากนายหญิงไว้ชั่วคราวก่อนโดยแลไปยังกลุ่มของเชษฐา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 ที่จะให้มือทั้งสองฝ่ายประสานกันอย่างมั่นคงแนบแน่นตลอดไปจนชั่วชีวิตดับของแต่ละฝ่ายชนิดที่จะไม่มีพลัดพรากแยกจากกันอีกแล้วกล่าวออกมาเบาๆต่อไปว่าขอให้พี่สาวและพี่ชายของแง่ทายจงยืนเคียงคู่กันอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับแงทรายยังมีภาระที่จะต้องเข้าไปโครบเจ้านายเก่า และทักทายเพื่อนร่วมตายในอดีตให้ทั่วหน้าซะก่อนครับสิ้นประโยค์เพียงแค่นั้นเจ้าอดีตเกรเี่ยงพเนจรก็เป็นฝ่ายก้าวตรงเข้าไปที่เชษฐาชายันอนุชาซึ่งยืนเรียงรายเป็นหน้ากระดานกันอยู่แล้วก่อนที่คนเหล่านั้นจะทันเคลื่อนไหวปฏิบัติเช่นไรแงาสายก็กล้มลงประคองจับมือของพี่ชายใหญ่แห่งราชสกุลวราริขึ้นมากุมไว้ด้วยมือทั้งสองข้างของเขา นายใหญ่ครับคงจะไม่ต้องให้แงซายระบายถึงความรู้สึกในขณะนี้นะครับว่ามีความรู้สึกเช่นไรที่ได้พบเห็นหนายใหญ่และพวกท่านทุกคนความจริงอะแงซสายก็เตรียมกายเตรียมใจไว้พร้อมแล้วนับตั้งแต่ทราบว่าพวกท่านเหยียบขึ้นถึงถนนพระศิวะได้สําเร็จแต่ก็ยังมีความจําเป็นที่จะต้องอยู่ในสภาวะเข้าฌานตั้งสมาธิต่อไปจนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียบร้อยครบสิ้นเหมือนเช่นบัตรนี้ พยายามที่พวกท่านทั้งหลายได้ก้าวเข้ามาจนถึงตำแหน่งที่แง้ทรายบําเพ็ญชานอยู่ก็ยังอดไม่ได้ที่จะต้องตื่นเต้นจนจนพูดอะไรแทบจะไม่ออกเชิดฐายิ้มออกมาอย่างโสมนัตขีดสุดโอกกอดอดีตคนรับใช้เก่าไว้แน่นพูดอะไรไม่ออกไปนานนอกจากตบหลังแง้ทรายยุน่หนักนวงแล้วก็พูดออกมาว่าแง้ทราย ฉันก็พูดอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะมันเปิ้นตันไปหมดแล้วตอนอื่นๆ น, นะบางทีฉันอาจจะสับสนจำสับสนไปหมดระหว่างฉันกับแกในชีวิตอดีตที่เราร่วมกันมาไอ้ที่จำแม่นยำได้อย่างเดียวคือตอนที่แกถ่ายเลือดให้กับฉันเพื่อเปิดโอกาสให้แกบุคคลอืนอ่นแค่ท่ากล่าวเสียงเครือสันเตียงแค่นั้นก็รีบลกห่างออกมาแล้วแง่ซายก็หันไปทาง คุณชายอนุชาผู้ซึ่งยื่นมือออกมาให้จับอดีตกรเลียงพระเนจรดึงเอาอนุชาเข้ามาเกอดไว้แน่นกล่าวเสียงทุ้มต่ตําต่อมาว่าคุณชายกลางครับถ้าคุณชายกลางไม่มาถูกทรราช จ, จับกุมคุ ม, คมขังทรมานอยู่ที่นี่ผมก็คงไม่มีโอกาสได้กลับมากู้บาลังคืนคุณชายกลางยังเป็นนักเดินป่าที่เก่งกล้าสามารถอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่น้อยหน้าพรานใหญ่ระพินไรวันเลย ผมรู้สึกเป็นสุขยิ่งกว่าครั้งที่สามารถกู้ราชบัลลังก์กลับคืนมาได้ในครั้งนั้นซะอีกในการที่ได้มาพบหินเจ้านายมิตรสหายเก่าในครั้งนี้นะครับเออแกก็ยังเป็นคนน่ารักเหมือนเดิมให้ตายเถอะฉันไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะได้มีโอกาสหวนกลับมาที่นี่อีกทําไมใช่เพราะน้องสาวของฉันถูกกระแสะกิจอันเต็มไปได้วย อ, อนุภาพของแกเข้าครอบงาําชักพามานายหญิงของแกนะ่ะเป็นคนนําทางมาในครั้งนี้ มจีบฉันหรอกฉันและทุกฝ่ายทุกคนฝ่ายเรานะเพียงแต่ตามเขามาทั้งนั้นแหละอนุชาวราริธกล่าวปนหัวเราะแช่มชื่นส่วนกับชั ย, ยันแงซายหันไปจ้องหน้ายิ้มยิ้มแล้วทักว่านายทหารครับตื่นจากตะลึงสัยทีสิครับท่านไม่ได้ฝันไปผู้ที่ยืนอยู่เบื้องหน้าท่านขณะ น, นี้คือเจ้าแงซายคนเดิมแน่นอนครับท่านควรจะกอดผมให้แน่น แล้วควรจะแน่นกว่านายแหมมมาเรียที่ท่านเคยกอดมาด้วยสิอีกสำหรับอดีตเจ้าคนใช้เจ้าเล่ของท่านคนนี้เออเอ้ยเอ้ยแงายนี่นี่นายแน่เหรอช ย, ยันตะกุกตะกักออกมาน้ำตาซึมออกมาด้วยนายทหารเป็นคนติดระเบิดร่วมกับผู้กองระพินแงซายเป็นคนยิงธนูที่ติดระเบิดเหล่านั้นเมื่อทบทวนได้ถูกต้องเช่นนี้ คงไม่ใช่เงาซายตัวปลอมแล้วมั้งครับโอ้ยดีใจจริงวุ้ยเงาซายจริงๆนั่นแหละอดีตนายทหารปืนใหญ่ร้องลั่นออกมาแล้วกระโดดเข้ากอดอดีตคนใช้ของคณะเดินทางในครั้งนั้นโวยวายเอะอะลั่นไปหมดเงาสายหัวเราะเบาๆอย่างเป็นสุขขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่นายทหารได้ลูกชายจากนายแหมมแล้วเอ้านี่แกรู้ด้วยเหรอ ชายันลืมตาพลุ่มจ้องหน้าอย่างงงงงแงสายไม่ตอบแต่กล่าวต่อมาว่าเป็นที่น่าปิติที่ชีวิตของนายทาหารและน้องสาวแม่มมาเรียของผมดำเนินไปอย่างราบรื่นเป็นสุขเสียดายก็แต่เพียงในข้อที่ว่าเธอไม่สามารถจะร่วมเดินทางมาด้วยในครั้งนี้และนายทาหารก็มองเห็นกระตาแล้วว่าสำหรับสางปาของมาเรียน่ะ ผมได้เลี้ยงดูฟูมฟักเขาไว้ที่นี่เป็นอย่างดีตามที่ให้สัญญาไว้ได้โปรดขอเวลาผมสักครู่ก่อนนะครับว่าแล้วเงาสายก็เคลื่อนต่อมายังแถวของพรานพื้นเมืองของระพินและขยิงอันยืนเกาะกลุ่มกันอยู่เบื้องหลังพวกนั้นพากันยืนจ้องนิ่งด้วยตาที่เบิกกว้างอยู่เช่นนั้นเงาสายตกไหลบุญคําก่อนลุงคํา ฉันไม่เคยลืมวิชาอะไรต่ออะไรที่ลุงเคยสอนเคยด่าฉันไว้เลยนะคิดถึงลุงมากเหลือเกินเอา้าทำไมลุงจ้องหน้ามองฉันอยา่างไรเห็นผียังไงล่ะลุงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแงไสพระทุดงค์ท่านไม่ได้สอนข้าไว้ว่าว่าเวลาเจอพระเจ้าแผ่นดินปลอมตัวกลับมาเป็นไอ้กระเหลี่ยงจอมกันล่อนอีกครั้งนะ่ะข้าควรจะพูดว่างไงเฮ้ยทาอะไรไม่ถูกเลววยแงไสยกมือขึ้นปิดปากหัวเราะ แหร้ายจริงลุงคำนี่เล่นเอาประโยคที่ฉันแกล้งพูดติดปากในครั้งนั้นมาเล่นงานฉันอย่างนี้เหรอนี่ความจริงฉันลืมไปหมดแล้วนะว่าฉันเคยกัะล่อนกับลุงไว้ไงมั่งอะสำหรับจันเกิดเสยแล้วก็ขยินแง่ท า, ายกล่าวขึ้นพร้อมรอยยิ้มเชื่อนชมว่าเพื่อนยากสหายพรานของข้าทั้งหลายนี่จนตายข้าก็ไม่มีวันลืมพวกเจ้าไปได้นะ ในวันคืนเก่าก่อนที่เราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาทุกสภาพคอยคิดว่ามรกรกนครคือบ้านอีกแห่งหนึ่งของพวกเจ้าทุกคนเลยนะทรงพระเจริญพระเจ้าค้าเกิดผู้เรียนหนังสือมากกว่าทุกคนในหมู่กล่าวถวายพระพรขึ้นแล้วพากันยืนระวังตรงสำรวมตัวกันอยู่แต่สีหน้าแววตาแสดงความปลากปลื้มลนพลคนสุดท้าย ที่อดีตแงซ า, ายเดินตรงเข้าไปหาคือครูพรานเท่าหนานอินผู้ยืนนิ่งน้ำตาไหลเป็นทางอยู่ด้วยความตื้นตันเมื่อเข้ามาถึงเจ้าอดีตเกรเี่ยงพเนจรก็ค่อยคอยหยิบเอามืออันสันเทาของแกขึ้นมาจูบเบาๆแล้วแนบไว้กระแ ก, กล่าวแผ่วเบาว่าพอลุงหนานอินครับพอลุงนมีบุญคุณต่อข้า เหมือนเป็นพ่อบังเกิดกล้าวนี่ถ้าไม่มีพ่อลุงก็จะไม่มีแงสทายจะไม่มีจักราทิราชในบรกฤษนครขอให้พ่อลุงจงมีอายุมั่นขวัญยืนเอนะครับแงสายจะลึกถึงพระคุณของพ่อลุงไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ครับจำเริญจำเริญเถิดลูกเอ้ยนานอินพึนพรรมพำออกมาได้แค่นั้นแกก็ร้องไห้ด้วยความตื้นตัน จนสุดที่จะระ ง, งับได้แงซ า, ายถึงเข้ามากอดประทับไว้กับอกกระซิบพูดอะไรกับแกนานกว่าทุกคนต่อมาจึงถอยออกมายืนเด่นอยู่กลางวงแล้วหันมาทางเมยานีกับขุนพลอรชุนน้ำเสียงมีกังวานนั้นกล่าวว่าข้าขอขอบใจท่านขุนพลอรชุนและราชินีเมญานีแห่งข้าที่ได้ปฏิบัติภารกิจ อันได้มอบหมายไปให้เป็นที่ล้ล่วงเรียบร้อยทุกประการอรชุนก้มกายลงถวายคำนับเมยานิย่อวรองค์ลงกราบทูลขึ้นก็โดยพระบารมีของพระองค์ที่หม่อมชันและท่านบิดาสามารถจะปฏิบัติภารกิจลุล่วงไปได้ตามพระบร ม, มาราชโองการทุกประการบัดนี้ถึงเวลาแล้ว ที่พระองค์จะทรงละจากสมาธิฌานและเปลี่ยนฉลองพระองค์ได้สักทีหม่อมฉันได้จัดเตรียมมาเพื่อถวายแล้วเพคะจักราธิราชเจ้าแย้มสวนน้อยน้อยยกหัดขึ้นโบกเดี๋ยวก่อนสิขอเวลาข้าสักครู่เถอะนะให้ข้าได้ทักทายปราศัยกับอาคัรตุ ก, กะคณะใหม่บ้างเถิแล้วก็เบือนพระพักไปทางพรานใหญ่ระพินไพรวัน พระอากับกิริยาเคร่งขรึมขึ้นเล็กน้อยแต่พระพักยังเจือไปด้วยรอยแย้มสวนผู้กองครับเดี๋ยวนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่ผมควรจะได้รู้จักกับคณะเจ้านายใหม่อันเป็นอาคัรตุกกะอีกชุดหนึ่งที่เดินทางมาภายใต้การนำทางของผู้กองและคงจะไม่มีใครสามารถจะแนะนำพวกเขาเหล่านั้นได้ดีไปกว่าตัวผู้กองเองล่ะครับเมื่อนั้น ระพินซึ่งยังเกาะกุมมือของดารินอยู่นับตั้งแต่จักรราทรงมือของแต่ละฝ่ายไปให้จับกันไว้ก็เคลื่อนออกมาข้างหน้าอาวุโสที่สุดของคณะคือด็อเตอร์สแตนลีถูกเบิกตัวแนะนำขึ้นก่อนจักรราชยื่นพระหัต์ออกไปให้สัมผัสสเตลี Stanley จับพระหัต์พร้อมกับโค้งคำนับถวายการเคารพยินดีที่ได้รู้จักท่านดอร์สตลี และเสียใจด้วยที่ทรัพย์สินของประเทศท่านต้องมาพินาศเสียหายและสูญหายยนเป็นเหตุให้พวกท่านต้องลำบากยุ่งยากในการติดตามมาจักรราศรงรับสั่งขึ้นด้วยน้ำพระเสียงอันก้องกังวานชัดเจนเช่มช้าเป็นพระมหาการุณาที่คุณล้นเกล้าที่ทรงพระเมตตาต่อข้าพระองค์ทุกคนที่ได้ล่วงล้ำเข้ามาจนถึงดินแดนมหัศจรรย์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 กริสัหนุ่มแห่งมรกรนครทรงปราัยกับคีดเรามีสิทธิ์ที่จะดำเนินการใดๆกับทรัพย์สินของเราหรือไม่ละ่ะพระเจ้ า, าค่ะนายคีดฉวยโอกาสทูลถามทันทีจักรราชสวนเบาๆเรื่องนั้นเราจะร่วมหารือกันภายหลังนะท่านอะได้กังวลไปเลยตัดบทเพียงแค่นั้นก่อนแล้วจักรราชก็พยักพักลงนิดนึงกับระพิน เหมือนจะเตือนให้เบิกตัวอาคัรตุกกะชุดนี้เข้าเฝ้าต่อไปตามรายบุคคลน้องชายนี่เป็นเลือดเนื้อเชื้อชาติเดียวกับพรานใหญ่ระพินไพรวันใช่ไหมกับเชิดบุตรซึ่งมาถวายคำนับอยู่ตรงหน้าจั ก, กรราชเอื้อนเ อ, อ่ยออกมาด้วยความปราณีการเดินทางมาในครั้งนี้ย่อมถือว่ามาปฏิบัติภาระลับ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 ที่ทรงเพียรบำเพ็ญให้แก่พวกเราซึ่งแรงกล้ามีอิทธิพลยิ่งพระเจ้าค่ะก็เพราะพวกท่านได้เลือกพรานนำทางที่ถูกต้องแล้วถ้าปราศจากการนำของเขาพวกนี้พวกท่านก็จะไม่มีโอกาสมาถึงที่นี่ได้เลยจะไม่มีวันมาถึงสำหรับเบนเป็นอันดับที่สี่ที่ก้าวออกมาเฉพาะพระพักย่อ ก, กายถวายเคารพ พร้อมทั้งจ้องพระพักของจักรราชไม่วางตาหลอนมองอย่างพิสวงตะลึงลานนับตั้งแต่แรกเหยียบย่างเข้ามาแล้วนอกจากเธอจะเป็นศัตรูสตรีรูปงามเธอยังเป็นผู้มีความเก่งกล้าสามารถมากที่ร่วมเดินทางมากับคณะในครั้งนี้และแม้จะเป็นหน้าที่ของเธอโดยตรงก็ตามเราก็อดที่จะขอบใจแทบไม่ได้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 เรารู้เห็นอยู่แล้วทุกขนะเห็นลึกลงไปจนแม้กระทั่งความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลแม่ผมแดงกระเดือกน้ำลายลงคออย่างแสนฝืดยิ้มออกมาจิตจืดหล่อนอยากจะทูลถามตอบโต้ ต, ต่อไปแต่กษัตริย์ผู้ทรงโฉมแห่งมรกรนครพยักพักให้เคลื่อนผ่านไปและเมื่อนั้นคริสติน่าอันเป็นคนสุดท้ายของคณะ จึงก้าวช่มช้าเข้ามาหล่นลุบสายพระเนตรคมกริบที่จ้องขมิงมาก่อนแล้วหน้าแดงซ่างย่อลงถอนสายบัว